ขอโอก า, าสกันนัสองเอาเยือนพรายังญาติโยมทุกทท่านก็จุนี้ก็พยายามจะใช้สื่อเสียงให้มากที่สุดเพราะว่ารู้ว่าตัวเองน่ลิ้นกำลังพันแล้วก็สมองนะมันมีอาการที่จะไม่ค่อยปกติไปเรื่อยๆก็จะจห้โอกาสนี้แหละเก็บเอาไว้เสียงพูดการที่ไม่ได้พูด เราลดตัวเราไขมันนี่มันไม่ธรรมดานะสสะสมมานานตั้นแต่เป็นโยมตั้งแต่ตอนอายุประมาณ3 4 3 5ตอนนั้นอ้วนมากหลังจากบว่แล้วหนักลดลงลดลงลดลงแต่ว่าไขมันในเส้นเลือดยังตกค้างอยู่สูงว่าบางทีไปเช็คนี่พันกว่าส่วน 300-400 หมอก็ตกใจแล้ว เงินพันกว่าเครื่องในโรงพยาบาลเช็คไม่ได้เลยโระพยาบาลใจบูมต้องหารสองเช็คพันกว่าพันห้าพันหกมันอยู่รอยมันได้ยังไงบางทีขึ้นเครื่องบินเนี่ยปวดหัวมากเวลาลงเครื่องลงปวดหัวมันบีบมันหัวจะแตกเลยบางทีมันจี้จี้จี้แล้วกึ๊กเลยมันก็จะแตกให้ได้แล้วก็มีอาการกระตุกกรนะตุกน เราก็โทรไม่ใช่กทางหมอเป็นอะไรหมอกบอกเล็หนึ่งสามสี่ห้าันก็สังขารแกเจ็บตายอย่างนี้ตอนนี้หลวงพระคมเดี๋ยวเช้านี้เลยต้องไปดูกันคนที่ไปเฝ้าผู้ใจที่เป็นนักปฏิบัติก็เกงใจก็อยู่ให้เขาได้กลับมาปฏิบัติแล้วเดี๋ยวพระส่งไปแทนหรือว่าลองดูว่าทางโรงพยาบาลเขาให้กลับว่ ไปรับกลับมาเองนี่แหล ะ, ล ะ, ละที่เมื่อกี้เราสวดกันเทวทูตเทวทูตการแก่การเจ็บการตายมันอยู่กับเราอยู่แล้วแะแก่แก่งไงแก่ความรู้จะอยู่นานรวยสินทานใช้บ้านโตนทุกคนก็ไม่อยากแก่รักสวยรักงามตรีกาเนี่ไม่อยากเห็น ตกกระฟาต่างๆหรือว่ารอยเย่อนต่างๆเราอยากให้มันแ ต, ต่งตึงนานเท่านานแต่มันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือกฎของธรรมชาติชื่อเราสั้นอยู่ไม่นานนัเดี๋ยวก็ไปละจากโลกใบนี้แต่ว่าจะอยู่ไงให้มีความสุขให้มีความพาสุขเกิดประโยชน์สูงสุดหรือว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือวิมุตต์หลุดพ้นเป็นเป้าหมายสูงสุด ว่าเราเกิดในุตศาสนามันมีคําสอนมันมีวิธีการที่จะพาไปถึงวิธีการปฏิบัติมัคควิถีมัคควิ ธ, มกกวธีมันมีอยู่เราเราก็เชื่อเราก็ศรัทธาว่ามันมีอยู่จริงแต่ว่าทุกข์กัความคิดมันเห็นจริงๆริมันไม่คิดมันไม่ทุกข์หรือว่าคิดให้ถูกมันก็ไม่ทุกข์คิดให้เป็นมันไม่ทุกข์แต่วนใหญ่เรื่องเรื่องเดียวกันมองหลายมุมมองเป็นอกุศลมองเป็นกุศล มองเป็นอกุศลก็คือมองได้ความไม่ฉลาดมองเป็นกุศลก็คือมองได้ความฉลาดแต่มันจะฉลาดได้ก็คือมันต้องเห็นถูกมันไม่เฉลาดก็คือมันเห็นไม่ถูกมิจ่าทิฏฐิสำมาทิฏฐิทำเห็นถูกก็ไม่ทุกข์จะเห็นถูกมันก็หลอดพ้นหลุดพ้นแต่ถ้าเห็นไม่ถูกมันก็ไหลลงสู่ความเสื่อมทันทีแม้กระทั่งเรื่องดีเรื่องงามก็ตาม การแก่การเจ็บการตายนะมันเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามทุกคนกลัวแต่ผู้มีปัญญามีสติมีตาในมองเห็นเป็นประโยชน์นตายก็เหมือนกันมันมีตายก่อนตายงี้มันดีมันเลิศกี่แหล่มันตายก่อนที่เราจะตายจริงๆตัวนี้ก็เรียกว่าขัดทำจิตทําใจหรือว่าวางจิตวางใจหรือว่าทํากิจให้จบมาเป็นลักษณะของกิจของความเป็นมนุษย์เราอิชากรรมฐาน ผลคือการเดินทางสู่การพ้นทุกข์จริงๆเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเข้าใจธรรมมันมีโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันโลกใบนี้มันมีอะไรมีสุขมีทุกข์ต่างๆมากมายตามสมมติบัญญัติของโลกมีภัยต่างๆแต่ใครปลอดภัยพ้นภัยอยู่กับโลกอย่างอายุยืนยาวนะั้นเป็นเรื่องของบุญก็คือความสุขที่ได้มาโดยชอบถ้าทําตัวเองให้สบายรักษาความสบายประคองความสบายสบายกายสบายใจก็อายุยืน ถ้าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะมหาเรื่องอายุสัน้นลงสัน้นลงสัน้นลงไม่สบายใจเจ็บกายปานไฟไหม้เจ็บใจขวานปานคว้าผ่าปริบตาเดียววะบูบว า, ากแล้วจิตระเบิดโกร๋งเงี้ยมันจุดระเบิดใส่ตัวเองพอเราระเบิดปั๊บสเก็ตไปโดนคนอื่นเลย่ยน้อยไปเราก็ได้เห็นมันเป็นภไพลไลในตัวเราเราก็มาดูเห็นตัวเองมันเกิด ความโกรธมาเพราะว่าไม่รู้สึกตัวเนี่ยแล้วก็อ๋อคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดเนะีเราก็เห็นว่าเออเราก็ยังมีอาการต่างๆอยู่มันเป็นทุกข์อยู่มีอาการบวบว่าบบว่าวหงุดหงิดฟุงซ่านลำการใจเยเราก็ไม่รู้สึกตัวนี่เอมันก็มีนะกิเลสอย่างหยาบเนี่ยกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์นี ความกลุ่มความโกรธความกลัวความกังวลกอไก่นะั่นคือกิเลสตันหนาวมาทานยึดเก้าไปยึดเก้าไปทะยานอยากลงไปชอบไม่ชอบมันก็มีผลจากความหลงความไม่รู้ไม่รู้สึกตัวเร้ววาจึงมาฝึกมหัดกันนะมารู้ว่าการฝึกการหัดมีผลรู้ว่าการฝึกการหัดมันอาจจะเป็นไปได้การฝึกการหัดเมื่อเราฝึกหัดแล้วออมันเป็นจริงๆ ทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันไม่ได้คิดสัมผัสรู้ไม่ได้คิดรู้แต่เวลาคิดรู้มันก็เออหนักหัวเวลาโดนสอบอารมณ์มันก็สอบตกอะไราเี้ยมันก็ต้องฝึกต้องหัดกันจริงๆการแก่การเจ็บการตายหรือว่าความตายที่เรียกว่าตายทั้งเป็นมันมีอยู่จริงๆเรายังหายใจได้กับวิปตาเดินไปไหนมาไหน หรือว่านะการกินกันขับถ่ายแต่ว่ามันร้อนรุ่มนะมันอยู่แบบร้อนเนื้อร้อนตัวร้อนกายร้อนใจมันมีจริงๆอย่างเช่นที่นี่สังเกตนงะเราอยู่วัดป่าสุกตัวนะพื้นที่นีน้มันอยู่เย็นเป็นสุขนงะสังเกตเฮียซักแป้งเราก็จะมีของกินโดยไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทมาคืนแล้นอนหลับมาตั้งคืนเรากไม่ได้เสียค่าหอพักค่าที่อยู่ไม่ได้เสียเลยเดินอยู่ที่นี่ปลอดไปไม่มีสารพิษ อย่างไงนีะ้โหมเงี้ยวเคี้ยวขอเขาก็สงบนะที่นี่มีตะขาบแมงป่องมีสัตว์พิษนะแต่ว่าต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างรักษาชีวิตของตัวเองเนี่ยเราก็เอออยู่ได้ด้วยแต่ว่าลองสังเกตดีๆนะกลางวันลองนอนดูนะที่เนี่ยลองเลยใครลองพิสูจน์เลยกินเสร็จแล้วไปนอนนะล้วก็ตอนเพ ล, ลินเก็มากินอีกแล้วนอนต่อนะยังไงก็จับใกล้ ที่นี่มันบอกนะธรรมชาติมันบอกอยู่แต่ถ้านั่งเดินยืนนอนปฏิบัติธรรมแล้วว่าทํางานทําการได้เหงื่อนนี่สบายจะเป็นคนที่สบายเนะื้อสบายตัวหรือว่าลองอยู่แล้วก็พยายามไม่ต้องรู้สึกตัวนะเดินไปไหนมาไหนนะเดี๋ยวเห็นนั่นเห็นนี่ร้อนอีกอ่ะเนี่ยร้อนหูร้อนแต่ลองดูจะร้อนเลยไม่ต้องรู้สึกตัวนะเดินไปคุยกับคนนั้นไปคุยกับคนนี้นะ เดี๋เรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามานะบุคคลที่สองสามสี่ห้าร้อนอีกอยู่ไม่ได้อี ก, กเป็นนะี่ยไม่อจะจักไข่นะแต่ใจมันป่วยมันก็ไปไปหาข้างนอกเองตรงนั้นตรง น, รง น, น, รงนี้ตรงนั้นคิดว่าจะดีแลาใช้สุดวเออไม่มีใครดีหรอกนอกจากตัวเองอย่างเงี้ยนะเราก็ได้เห็นเข้าเข้าออกออกออกออกเข้าๆอย่างเงี้ยแต่ถ้ามารู้สึกตัว <c oughs> นะมารู้นะรู้ตัวเดินจงกรมสร้างจังหวะนะ มันจะอิ่มใจขึ้นมาจะมีความรู้สึกว่าโอ้ใจมันเย็นใจมันเป็นปกติบางทีมารู้ทันความคิดทุกครั้งหรือว่ารู้ทันอารมณ์ทุกครั้งมันมีปิติให้เราเป็นรางวัลปิติคือมันอิ่มมันรู้สึกมันซาบซ่านบางทีมันก็สงบเงี้ยนะมันง่ายอยู่ได้แล้วมีความสุขด้ยเพื่อไปทำมันเป็นนิรามิสุขมันไม่ใช่อามิสุขนะมันเป็นนิรามิสุขมันเป็นสุขจากข้างใน กติคืเอาบุคคลหนึ่งสองสามมัธุลหนึ่งสองสามมรรตุ้น 2, 3, มรสกิตกมันอย่างนี้นะหรือว่าบางทีมันเป็นหน้าของอามิสุขอามิสุขก็คือเป็นหน้าที่มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเรากับตัวเราอ่ะมันเกี่ยวกับภายนอกภายนอกแต่พอเรามาอยู่กับตัวเราเองนะเราเหนะ็นว่าเออสมองเราไม่ได้ใช้พลังงานมันไม่ได้คิดมากๆเวลาคิดมากๆ ม, นะมันมีผลปัญญาข้างเคียง ชิวบ่อยอย่างเงี้ยนะคิดลเครียดมากๆก็าหาเรื่องรสชาตต่างๆหู้จะหมกดิ้นหากินจุกกินจิกเรารสชาติจัดนะหรือว่าแสงจัดจัดเสียงดีๆจัดจัดกระตุ้นปลุกเรานะท้ายสุดก็คือมันไม่ได้พึ่งตัวเองมันพึ่งมัตถุภายนอกแต่พอเรามาสัมผัสโล้ความรู้สึกตัวได้เห็นจุดกบดานของจิตเราจิตมันมีบ้านอยู่ด้วยพอมคืนสู่ธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเนี้ยะตรงนั้นน่ะนะ เราเห็นแล้วเออมันไม่ได้มีความเดือดร้อนสะดุ้งหวาดผวาเสียวสารหลังอะไรเลยมันไม่มีถ้ามันมีความเดือดเนื้อร้อนใจก็เรียกว่าตายทั้งเป็นเโดนเผาความโลภเผาเอาความกลรธเผาเอาความหลงเผาเอาโทสัจริตโมหิจิริศลาค้าจริศอเงี้ยมันก็อยู่กับความทุกข์แต่พอมันอยู่กับความเป็นปกติรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันมีช่องมีร่องมีทาง ถ้าเราปฏิบัติธรรมมันก็จะถลําไหลลึกตกลงไปในช่องนี้แหละความเป็นปกติเป็นรอยของศีลของธรรมทีเดียวนีมันอยู่ตรงนั้นนะประตูใจตรงเนี้ยถ้าเปิดประตูได้ก็าเาไว้ได้ตรงนั้นแหละมันเป็นทางออกทางหนีไฟเป็นทางหนีไฟไฟโทสะไฟโมหะไฟโลภะมันเผาลนแล้วนหนีออกมาที่ปกติประตูใจตรงเนี้ยเคยดูไอ้สื่อหลวงปูเตียน ผู้เทียนเคดูป่ะผมูเทียนเข้าไปในห้องนะในในสื่อ v c d ตัวนี้สอนชาวต่างชาติประเทศสิงคโปร์มาปฏิบัติโพลกันไม่รู้เรื่องเนี่ยผู้เทียนก็พาเข้าไปในห้องเสร็จแล้วก็เดินไปตามห้องเหลี่ยมนี้เหลี่ยมที่1น่งด้านนี้ไปด้านที่สองด้านนี้มาด้านที่สม กลับมาด้านที่4นะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้วก็คำไปเรื่อยๆเนี่ยนะคนทั่วไปนี่ไม่ได้สัมผัสตรงๆนะบางคนก็ไปรักษาศีลบางคนก็ไปทำบุญนะบางคนก็ไปถือเลอกถือยามสะดอเคราะหนะ์มีความเชื่อต่างๆก็คำคำรูปๆกันไป บางคนก็คำตรงนี้บางคนก็คำตรงนี้บางคนก็สัมผัสอย่างนี้ก็คิดอย่างนี้เสร็จแล้วปฏิบัติเดเจอหน้าต่างก็รูปรูปคําำมอนนี้หน้าต่างคําบีอันนี้ประตูที่แรกก็ยังไม่ได้ผักดูนะว่าอะไรเป็นอะไรหลังจากรูปรูปคาคำนานๆก็ๆเริ่มเห็นรายละเรอเียดต่างๆก็เลยเปิดเปิดดูอ่ะประตูมันเปิดออกมาได้ก็อยู่ระหว่างประตูมองเข้าไปในออกมาข้างนอก กลางในโอ้อันนี้มันเป็นความทุกข์มันเป็นสมบัติของคนโง่ออกมาดูโอ้นี่นเป็นความสว่าง อ, อันนี้เป็นสมบัติของคนมีปัญญาะอยู่ตรงกลางนะแต่ดูนอกดูในเห็นนอกเห็นในดูปั๊บ้วโอ้หลวงกูเทียนอันนี้มันไม่ธรรมดาแล้วนะตัวเนี้ยมันเป็นตำแหน่งการวางจิตวางใจแต่ก่อนจะเดินมาถึงมันมันคํา รูรูกรรมคันไปอายกมือก็แล้วเดินจงกรมกันแล้วเพ่งกันแล้วจี้กัแล้วจ้องก็แล้วเผลอกันแล้วทําตามความคิดก็แล้วทำตามการเคลื่อนไหวของกายก็แล้วเรียกว่าอยู่กับความคิดอยู่กับกายไม่ใช่สภาวะผู้ดูถึงดูก็เป็นการคิดดูไม่ใช่เป็นการอยู่ในจุดที่เป็นใจอภูมิจริงๆภาวะของการดูที่ดูแล้วพ้นภัยดูแล้วปลอดภัยไป เพรน้เรานี่องการปฏิบัติน้องสังเกตดีๆมนะันมีอะไรการเพียงจี้จ้องไม่ได้ผิดจำรับผู้ใหม่แต่หมายถึงว่านะท้าสุนก็ไม่ใช่อยู่ดนะีมันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ของการรูปรูปคํำคำการปฏิบัติธรรมลำจึงไม่ต้องสรุปอะไรทั้งหมดเลยนะเพียงแค่สัมผัสรู้ความรู้สึกพนะยายามสังเกตนะไปด่าแล้วรู้สึกพอดีสบายวางกายวางใจรู้สึกผ่อนกายนะเดินก็เดินเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาไม่เก๊กไม่เก่ง แต่ละก้าวตลก้ามีความพอดีไม่ช้าไปไม่เร็วไปการวางหน้าวางตาไม่ก้มไม่เงยเกินไป น, นัถ้าเงยไปมันก็หลุดไปเลยสนใจเรื่องนอกตัวแต่ถ้ามีความง่วงดี่ดีไนะมีความสึกอึดอัดแน่นพอเงยปั๊บมันหลุดทันทีมันแก้อารมณ์ให้ด้วยเวลาเห่อยมากๆเนะี่ยเราก็จะเห็นว่าจิตมันฟุง้งแล้วก็จะมีประสบการณ์สอนตนแล้วก็ กลับก็ามาหาด้านในมันจะผ่านความเป็นกลางความจุดสมดุลที่มันรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้โดยไม่ต้องคิดนะรู้แล้วทาได้เรื่อยๆต่อนเนื่องแล้วก็ถูกต้องด้วยมันก็จะอยู่รัศนาของการไม่ช้าไม่เร็วหรือว่าไม่เพง่งไม่เผลอมันมีก็มันอยู่ไม่พักไม่เพียรตรงนี้มันจะรู้ไปเรื่อยๆรู้ธรรมดาธรรมชาติตด้วยถ้าเข้าตรกล่องนี้ปั๊บมันก็โอ้กาไรชีวิตเลยนะ ที่เหลืออยู่นี่เป็นกาไรจริงๆเพราะว่ามันเป็นความปกติเป็นความผาสุกที่ท้ายสุดจุดนี้เราจะเห็นแก่เป็นธรรมดาเห็นเจ็บธรรมดาธรรมดาเห็นตายเป็นธรรมดาธรอมาติเพราะว่ามันได้คําตอบมันเป็นการเรียกว่าดับกิเลสหรือว่าตายก่อนตายก็ว่าได้ไม่มีตัวตนเข้าไปในกายในรูปอาการไม่มีตัวตนเข้าไปในวิธีคิดไม่ปรุงแต่งในสมมติบัญญัติต่างๆมันไม่มี ก็เลยว่าเห็นเป็นมัดประมัตฐาสภาวธรรมะประมัตฐาสภาวธรรมนั่นก็คือรษณะของการเห็นรู้เฉยเฉรู้เฉยเรู้แล้วอ๋อมันก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนหละทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นแหละก็กะเป็นเข้าอยู่นั้นนะ ก, ก็พูดก็ก็ถูกแบบเข้านะี่ยสมมติบัญญัติแบบของเขาแต่ว่าไม่ถูกทำก็เลยอยู่ได้นะฟังได้ก็พูดอย่างที่เขาพูดนะเขาทาอย่างที่เขาทำหรือว่าเหตุปัจจัยวัตถุหนึ่งสองสามมันเป็นอย่างที่มันเป็นเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาว ภาษาธรรมะเรียกอุตุนิยามธรรมนิยามวิจนิยามกรรมนิยามมันเป็นลนักษณะของการบัญญัติลงไปตามกฎของธรรมชาตินะเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมครนี้เราปฏิบัติมันมีความเป็นปกติภาษาศาสนาเรียกว่าโลกุตรธรรมเรียกว่าธรรมรรมักรรมกรรมมนกุดหมดเลยละอะไรที่มันเป็นเรื่องของโลกโลกมันตัดขาดันที มันเป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นธรรมดาธรรมดาของโลกใบนี้ที่เราอยู่อีกไม่กี่ปีนะเราก็ต้องได้สัมผัสอีกกี่ ล, ล้านล้านล้านล้านปีมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ายังมีมนุษย์อยู่ก็ยังมีสุขมีทุกข์อยู่นะมันก็จึงต้องฝึกต้องหัดต้องเห็นกันแล้วก็เห็นเห็นถูกต้องด้วยเป็นสัมมาทิฏฐิสัมผัสตลอดขนาดนี้ถ้าเราสัมผัสแล้วกระทบสัมผัสแล้วก็รู้แล้วรู้ถูก เป็นปัญญวัจน์นะตัวนี้อาการที่มันแทรกซ้อนซ้อนซอนขึ้นมาเป็นอาการของกายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกครับซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องนั่งต้องเดินต้องยืนต้องนอนต้องร้อนต้องหนาวต้องอ่อนต้องแข็งนะต้องมีอาการต่างๆที่เรียกว่ารูปทุกข์รูปโลกมันจะแสดงออกมาให้เราได้อ่านแสดงออกมาให้เราได้รู้จักได้เห็นจนกระทั่งยอมรับมันได้ ยอมรับสภาพอาการของแกายตรงนี้นั่นเป็นล่าหณะของวิชากรรมฐานที่ท้ายสุดนั้นมันจะผ่านด่านที่เรียกว่ามัจจุมานมัจจุมานก็คืออาการต่างๆที่ทําให้เกิดตามกลัวขึ้นมาความกลัวทุกตัวโยงไปหามัจจุมานได้หมดกลัวสัตว์ซาลาสิ่งกลัวความมืดกลัวผีกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวาตายวะนะตายส่วคือมัจจุมานด่านมัจจุมานปฏิบัติธรรมต้องผ่านนะตัวนี้ เดี๋ยว พ, พระกรรมฐานนี่ต้องผ่านเลยไม่ยี่ลาเลยเรื่องความตายนะกระโดดใส่ไปเลยมันตายช้าตายเร็วก็ตายนี่ไเพราะนั้นะเวลาเราป่วยเรานิ่งที่สุดเลยเรานิ่งถ้าเขาจะมาช่วยเขาจะดัมเบลิ่งเขาเองเราจะไม่ดัมเิช่วยตัวเองมากมายนอกจากใช้นะอย่างพระสงฆ์นี่ป่วยนี่ต้องดื่มน้ํำมดเน่านะเป็นหลักของออพระนะหลักการวิธีที่จะใช้ชีวิต บ้านก็คือโคนไม้นะพระสงฆ์เนี่ยอยู่โคนไม้เขาก็จะสร้างให้ในดํำรีของโยมไม่ใช่ดำรีของพระเลยแต่ในวัาเราดํำรีสร้างให้กับโยมเพราะโยมเนี่ยดินซีอ่อนมากมาวัดเนี่ยอยู่ไม่ได้ยุงกัดหน่อยอะไรหน่อยนะมีปัญหานี่นะพระก็เลยต้องมีหน้าที่บริการรับรู้รั บ, รบทราบเดี๋ยวมีเมตตานะมีเมตตาดูแลให้โยมอยู่ได้แต่พระนี่ยอยู่ได้อยู่โคนไม้นอนกลางดินกินกลางทรายเนี่ยนอนได้สบาย ฝึกอย่างนั้นกันเวลาป่วยในน้ำหมดเน่าน้ำปัสสาวะดอ ง, ดอองไ ด, ลงได้ลูกสมอาเงี้ยก็ได้ข่าวหลงตะกมนไปดื่มลูกสมอหมักเอาไว้นานแล้วเห็นว่าอย่างนั้นนะเดีย๋ยวจิงเทสยังไงจะสอบถามมีทีไปโรงพยาบาลครั้งนี้น่งจากอาการปวดท้องแต่ว่าญาติโยมที่ไปด้วยบอกว่าสัญฐานว่าหมอตรวจแล้วด้วยกองมือลำไส้สะอาดดีนะปกติดี เชื่อว่าจะเป็นกระดูกทับเาาส้นประสาทหลวงพ่อก็บอกว่าเออหลวงปอกลนี่ชอบนวดที่ยงนานๆสองชั่วโมงเนี่ยนวดทีนวดขยําก็อยู่นั้นนะสบายเวลานวดสบายหลวงพ่อบอกให้นวดตัวเองโดยการยกขาขึ้นมาแล้วก็ปล่อยล ง, ลงหรือว่าแขวนแขนหรือว่าทําโยคะทําอะไรก็ได้เป็นการนวดตัวเองจากภายในออกมาข้างนอกไม่ต้องพึ่งบุคคลข้างนอกเข้ า, ขาไปข้างในมันจะติด เป็เวลาปฏิบัติธรรมปวดเมื่อยชอบหาหมอโนดกันนะบางคนเนะี่ยโอ้ยมาตั้งใจปฏิ บ, บัประกาศไปสปาแบบนี้การที่เราจะพึ่งตัวเองได้นะเราไม่ต้องมาคนคิดอะไรเลยพระเจ้านะ่ยค้นหาไว้หมดแล้วเราทําตามกระโดดใส่เลยอย่างเดียวไม่ต้องการฝึกสติก็เหมือนกันไม่ต้องมาคิดว่ารูปแบบนั่นถูกรูปแบบนี้ผิดในรูปแบบดีเนาะพระเจ้าบอกมาแล้ว ถ้าศึกษาให้ดีเห็นเป็นลําดับขั้นตอนเลยทานศีลภาวนานี่เป็นขั้นตอนนะบันไดไต่สู่มรรคผลนิพพานทานทําด้วยปัญญาศีลปฏิบัติด้วยปัญญาภาวนาก็ปฏิบัติด้วยปัญญาปฏิบัติถูกแต่ต้องอาศักยกาลยมิตรนะต้องอใส่ผู้รู้จริงๆครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงกาลยมิตรเป็นยังไงกาลยมิตรเป็นภาษาบาลีน่ารักน่าเคารพ นายกย่องมีความอดทนสูงกายานมิตนะแล้วก็ลึกซึ้งชี้แจงอะไรนะรายละเอียดลุ่มลึกมากแต่เราจะฟังออกรู้ไม่หนะัวอะไรอีกเรื่องนะบางทีเอาใส่เวลา น, น, นานๆหนึ่งอท่านเคยพูดเอาไว้ท่านเคยแสดงออกเอาไว้เนี่ยนะอีกนานเท่านานนะจึงเป็นรอยเดียวกันล่องรอยเดียวกันเมื่อไหร่สภาพธรรมเหมือนกันถึงเกิดความเข้าใจกันอ่าปากก็เห็นลิ้นไก่ะ ไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ตัวนั้นเราก็จึงคล้ายๆก็กลับมาศึกษาในตัวให้มากที่สุดเพื่อได้รุมลึกในรายละเอียดเห็นสภาพทรรต่างๆนะแล้วท้ายึุดก็คือใจไม่ไดไม่พาไปทางที่เสื่อมถ ด, ดขาดไม่ไปมันมีถ้าไปมรรคผลนิพพานผู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อเมตตาเป็นไปเพื่อกนะารมักน้อยสันโดษแล้วเป็นไปเพื่อ ปัญญาสมาธิเบื้อง น, นี้มันเป็นเรื่องของกา ล, ลยมิตท Trans ี่แสดงออกต่อกันว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยจิตปรารถนาดีต่อกันไม่มีเราปรุมคนในเบื้องหนา้เนาเบื้องหลังต่างๆ ต, ตรงไปตรงมาเป็นบรรยากาศของตาลยมิตรนะที่จะชี้กันเหมือนแม่สอนลูกแม่จะไม่ได้พูดพ่อ <mumbles. S 1> ๆหรอกนะแม่จะบอกให้ใ e ห้เหวี่ยงอะไรสรารพัดให้ลูกเปลี่ยนให้ได้เรียว่าแม่น้ําลูกยอก็าภัยใส่เตาน แม่นาม ใ, ใจกว้างขวางแต่คนทั่วไปส่วนใหญ่นะพูดจาดีเพื่อยกยอจะกินปลาเอาประโยชน์แล้วก็ลักษณะว่ากลัวภัยกลัวพูดไปแล้วใจก็จะกระเทาะกระเทือนแล้วไทยสุดก็จะตีคืนกลับมามีพิษมีภัยมากกลัวการจองเวรจองกรรําพวกนี้ก็เลยเลือกนิ่งกันเราก็ทํากันด้วยปัญญาให้ปัญญาพาทำกันต่อไปเดียกว่าพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียัตำมูลทอง ถ้านียงแล้วต้องเสียตำลึงทองก็อย่านิง่งถ้าเนนิ่งซะแล้วก็อมืมันได้ตำลึงทองก็อาเนิน่งซะเรีย ว, ว่าเอาประโยชน์เวลาปฏิบัติธรรมนี่มันจะเจอมารที่เรียกว่ามัจจุมาลอันนี้เป็นด่านท้ายสุดนะตัวกลัวนี่ละเอียดมากนะไอตัวเกลียดสมานนี่ยาบความโลภความโกรธความหลงนี่แสดงออกแบบ ง, ง่ายเลยก่อนเข้ามาในวัดเรามีตัวไหน เวลาปฏิบัติมันก็ต้องแสดงออกมามีความทุกข์เรื่องอะไรมันก็แสดงออกนะมันที่เดินโยงกลมเนี่ยนั่งไส้ว่างมันหาคําตอบนะจะทํายังไงคนนั่นคน น, น, นี้เรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องนู้นจะแก้ปัญหาหนี้สินต่างๆมันเดินคิดอยู่นนั้นนะมันที่จคิดว่าทําไมก็ทํากับเราอะไรสารพัด น, น, นะอดีตที่เคยทํากับใครใครเคยทากับเราก็โผล่ผุดขึ้นหรือว่าเป็นปมด้อยมีปมด้อยต่างๆนะอยู่คนเดียวท้อแท้มีความทุกข์แล้ว อุปเอาไว้เก็บเอาไว้นะท้ายสุดก็ออกมาหลังจากที่นั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมมันมาให้เราได้ดูตัวเราเข็ดเหล่าเราจะได้ผ่านซะความว่าความกดความหลงกิเลสมารบวงทีจะมีลักษณะของเทวปุตตมานโผล่มาเทวปุตตมานก็หมายถึงว่ามันสบายเคยสบายมาก่อนอินทรีลูกคุณหนูนะ ก็เคยอยู่สบายเปิดตู้เย็นอยู่ห้องแอร์อย่างดีอยากนอนก็ได้นอนอยากกินก็ได้กินอยากทําอะไรก็ได้ดังใจทําตามใจเลยพอมาอยู่วัดอยู่วามีกรอบมีขอบมีเขตมีกฎระเบียบศีลแปดศีลห้าศีลสารพัดศีลสองรอยิบเจ็ดเสร็จแล้วมีระเบียบของชุมชนต้องเงั้นงงี้ยงเ่นเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็รู้สึกแหมมันไม่ถูกใจมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ มันไม่ได้ด่งใจมันก็กลับไปดีกว่าบางทีเดินปฏิบัติธรรมเนี่ยนะผมเริกธรรมาเคยเป็นนะไม่ทราบว่าคนอื่นเคยเป็นหรือเปล่าเวลาปฏิบัติมันนึกถึงร้านอาหารที่อร่อยๆ อ, อ, อ่ะน้าพริกที่นี่สมัยก่อนนะแม่ชีก็ตามทุกวันน้าพริกเช้าๆเนี่ยสิ่งที่เดินบาดเราจะต้องได้ยิน เ, นเดินผ่านไปนป่ะมัคือโป๊กโป๊กกตามน้าพริกมาทุกวันนะสารพัดน้ําพริกนะแล้วท้องเสียทุกวัน สวให้ก่อนไม่สาอาดกลัวไม่เป็นอย่างนี้แล้วนั่งกระดินคุกฝนนะั่นแหละตามมันอยู่อะไรเก็บได้ก็ต้องล้างก็แล้วถึงล้างก็ไม่สะอาดเพราะน้ำที่นี่มันเน่าจะไหกว่าน้ําเน่าเสร็จแล้วพระกระ thon เสียรผอมหน้าดําใจมันคิดจะอยู่ไม่อยู่เหมือนกันนะเอ้ไม่อยู่ดีกว่าวันไหนแต่วันไหนก็เจอน้ําพิกบางทีก็เจออาหารที่มันประหลาดมากเลยนะะฝนตกนิดๆหน่อยๆนะมาแล้วบอลลงขึ้นนะ่ะ มันจะมีไอ้ตัวเล็กๆกบตัวเล็กๆเขาเรียกว่าเขียดใช่ไหมถ้าภาษาเราอยงเรียกว่าไอ้เกียร์ไอ้เกียตัวไอ้เกียเนี่ยเขาจะเอาไปเกี่ยวเบ็ดเกี่ยวหลังมันนะนะเอาเบ็ดเกี่ยวหลังมันแล้วเวลาฝนตกกน้าไหลๆน้ําใหม่นะปลาช่อนมันจะขึ้นพอมันขึ้นปลามันเจอไอ้ตัวไอ้เขียดยังเป็นอยู่ดินแง้ติดเบ็ดเดือนะเขากรีบเบ็ดเกี่ยวมันนะปลาช่อนมันเห็นมันก็จะฮุบก็จะได้ปลาช่อนตัวใหญ่ๆใช่ไห ก็จะเป็น <Again> ว <is fine>. ิ me, like os, enfin like ing, ่งเหนือน่านนิดๆมันก็เหมือนเป็นของเป็นเวลาสัตว์มันชอบเหยื่อเป็นๆมันกังุบทันทีเก็เลยว่าไอ้เกียร์ที่นี่เขากินกันที่อื่นที่ไหนเขก็ไม่กินกันแต่ไทยศาสตร์นี่กินหมดเลยสัตว์ช้าลาสิ่งที่เจอหนอนอยังไงนะปลาลามีหนอนอย่างไงก็ต้องจําใจบางทีก็ต้องยอมอดเงี้ยก็เลยมาเจอไอ้เขียรเนี่ยเขาต้มธรรมดาะแล้วเป็นเมือกเป็นมัน แล้วก็นอนตาปอนอย่างเงี้ยหายท้องนะโอ้พระสะดุง้งแล้วขนหัวลุกเลยนะเห็นแล้วกินไม่ลงอย่างเงี้ยโอ้มันจะอยู่ยังไงเทวุตรตมาลมันก็บอกกลับเถอะอย่าอยู่เลยแต่ก็ตั้งใจว่าจะมาทําเดินตงกลมสักสองปีนั่งสร้างจังหวัดสักสองปีอย่างเงี้ยนะภายในสองปีเนะี่ยต้องทําต้องทําถ้าเกิดว่าศัจธรรมมันมีจรงิงการรู้ชาวุสนามันจบเป็นจบจล้วไม่ทุกข์ด้วยสาต่างๆในโลกใบนี้มากมายเลื่อง จบแล้วต้องเริ่มต้นใหม่ไปเรียนรู้ ง, งานแล้วต้องปรับตัวต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ต้องสัมพันธ์กับหลายสิ่งหลายอย่างต้องมีไหวพิปฏิปานแล้วก็จึงแย่งเอา้สมบัติที่พัดกันชมนะได้ไมเมื่อยขยยาวสาวได้สาวเอาคนมีปัญญามากก็เอาแต่คนมีปัญญาน้อยแต่มาอยู่ที่นี่ต้องผ่านด่านในตัวเราเคยมีจริตนิจใจอย่างไรไงแต่ว่าปุตตมานอภิสังขารมาเนื้ไม่ธรรมดานะโยมมันมาในรูปรอยของการคิด วนนั้ตั้งใจจะเทศอยู่ครึ่งชั่วโมงนะไม่รู้จะจบทันหรือเปล่าแต่พยายามจะสรุปให้จบตรงมา น, นี่แหละนที่เรียกว่าเทวปุตตานเราเห็นว่าพอเราเกิดจิตสํานึกเราไม่อยากทําอีกต่อไปเช่นทําไม่ดีกับแม่ทําให้แม่ร้องไห้จนแม่บอกว่าอ้ยเจ็บใจจริงๆเลยมันพูดได้ยงไงคำนี้คำนั้นลูกพูดได้ยังไงมันพูดบอกว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจทําให้เกิดนะพูดไม่ได้ยังไง เคยพูดไว้กับแม่อย่างิงเรากราบขอโทษขออภัยพาแม่ไปที่วัดจะแล้วก็กราบแม่ที่ตักของแม่นะเอาดอกบัวให้เอาดอกไม้ทูบเทียนเรขอโทษทีเถอนะอะไรที่แล้วอะไรแล้วไปเถอลูกทําผิดทำไม่ดีไว้นะนะแม่ก็บอกโอ้ยเจริญเริญเถอต่อไปนี้ขอให้ทามาค้าขึ้นนะอะไรก็ให้เลิกแล้วต่อกันนะขอโทษขอโทษกันให้อภัาายกันนะ ถึงเวลาอมีพ่อมีแม่มามีลูกมาเจ้าให้ทําตรงนี้มันจะได้จบจบกันไปเรียกว่าอภัยโทษนะหรือว่าอภัยทานหนึ่งนะมันมีกล่องละเอียดแต่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกตัวเราจะเห็นว่าตัวเองสอนตัวเองเราก็จะตัดตันตีคิดดีก็ไม่เอาคิดอะไรก็ตามกลับมาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวตัวนี้นี้มันเรียกว่าตัดเวนตัดกรรมกันไปเลยหลุดพ้นกันไปเลยเราเลิกแล้วที่จะคิดดีคิดไม่ดีต่อคนที่นะ เหมืนกัว่าเขาอุปการแล้วเราอุปถัมภ์เร า, าเราานี้ยบางทีไปไหนมาไหนไมีวิญญาณใจดีมากมายแต่เราก็ไม่เคยเห็นบุญคุณของท่านเี่ยแต่เวลามาปฏิบัติธรรมมันเห็นแล้วนะมันสํานึกแล้วตรงนี้แหละมันจะเกิดรอยนึงขึ้นมาก็คือเวลาเราฟังเทศฟังธรรมเนะี่ยหรือว่าเห็นหนังสือทำวัดสวดมนเห็นหนังสือที่วางตั้งไวนะ้ตามไหนก็ตามมันเห็นแล้วมันอยากได้จะเกิดความโบกนมาเลยนะศรัทธา เสร็จแล้วเราก็จะมีความเชื่อแล้วก็จ่ายตังค์ไปเสร็จแล้วเราก็เอากลับมาเอาใส่ซองแล้วก็ส่งไปให้พ่อให้แม่หรือว่าเอากลับไปแจกคนนั้นคนนี้คนโน้นท้าย่สุดก็ไม่ได้อยากอ่านานะเนีอัตมาหนังสือเท่าไรต่อเท่าไห ร, ไหรไมัรู้ส่งไปให้ท่านท่านไม่ได้อ่านเลยอะยังอยู่เหมือนเดิมเลยหนึ่งเนี้ยหอยังปิดมิจชิตอยู่เหมือนเดิมเอาไว้เหมือนเดิมไม่ได้แกะออกมาเลยพอกลับไปบ้านทีไปดูอา้าวหนังสือที่เราส่งมา ท่านไม่ได้อ่านเลยก็เลยรู้ว่าโอ้เราคิดไปคนเดียวะท่านก็ไม่ได้คิดกับเราด้วยเราคิดว่าแหมเจริญสติมันดีเดินยโยงกลมมันดีไปเราทำมันดีแต่ท่านไม่ได้สนใจท่านก็มองเราเป็นเด็กเล็กๆเหมือนเดิมเป็นลูกที่เคยมีนิสัยอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าผ้าเหลืองในี่ศรัทธายอยู่เห็นผ้าเหลืองยังกราบยังไหว้อยู่เราก็เลยเข้าใจอ่า อันที่เปทำแล้เราคิดว่าธรรมะดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นเป็นแค่ความคิดนนตัดกลับมาที่ความรู้สึกตัวจะไปให้เขาให้คนอื่นกลับมารู้สึกตัวอันนี้เป็นหน้าของปัญญาที่สังขารเป็นอภิสังขารมานราะนั้นเวราทำเราจะเจอความคิดที่มาในรูปแบบของปลุกไถ่ใส่สูตรเป็นพระเอกมากมายแล้วกันเรื่องที่เป็นผู้ร้ายมันเกิดกันไหม เป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีเป็นโอโศกอโศกเป็นความฉลาดวิภาควิจารณ์วิตกวิจารณ์ภายในตัวของเรานะอันนี้แหละจะเป็นประสบ ก, การณ์ที่ดนะีไม่ได้หมายถึงว่าปฏิบัติผิดไม่ใช่แต่หมายถึงว่ากำลังมีประสบการณ์ตรงนะที่มันจะตรงจรงิงๆนะต่อความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวท้าสุดจะเลือกเป็นถ้ามีสติปัฏฐานจริงๆนะมีตาในจะริงนะๆมันเจอสภาะวะตรงกลางเหมือนหลวงพุทเทียน อันนี้เป็นสมบัติของคนงูอันนี้เป็นสมบัติของคนฉลาดมันเห็นเป็นระนาดของสมมติบัญญัติเนีแล้วก็เห็นเป็นลนักษณะของสภาวะปรจมัฏฐานสภาวะตัวนี้จะเป็นวัตถุอาการกิริยาทันทีตามองไปก็เห็นเป็นวัตถุมันจะไม่มีความคิดใส่ลงไปเวลาได้ยินเสียงก็จะเป็นวัตถุไม่มีการปรุงแต่งใส่ลงไปมันจะมีการรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้แล้วก็ผ่านทันทีย ขณะต่อขณะขณะต่อขณะอันนี้ก็พูดให้ฟังก็พูดมาสาสิบห้านาทีก็เกิดมานาทีก็เห็นว่าควรยุติแต่เพียงเท่า น, นี้ก็ขอความเจริญธรรมจะจมีแต่ทุกท่านเติอน